ในหน้า1น6ดนะขึ้นสีลนิเทศต่อข้อความในวิสุทธิมัชสีลนิเทศคำถามข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอะไรเป็นความผองแผ้วของศีลนะอะไรเป็นความผองแผ้วของศีลถ้าลองทวนย้อนนิดนึงก็คือศีลที่ไม่ขาดเป็นต้นนั่นเองนะ อย่างหนึ่งนะความพ่องแผ้วก็คือความที่ศีลไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ก็คือทำคืนศกขาบทที่ขาดไปแล้วชุดที่สก็คือไม่มีเมถุนสังโยคชุดที่สีก็ไม่มีบาปประทมทั้งหลายนี่นะไม่มีบาปประทมคือความกโกรธเป็นต้นชุดที่5ก็คือความเกิดขึ้นแห่งคุณมีมักน้อยสันโดษเป็นต้นอันนี้ก็ศีลจะพ่องแผ้วได้ ที่บอกว่าความเกิดขึ้นแห่งคุณมีความมักน้อยสันโดษความประพฤติขูดเปล่ากิเลสเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้ศีลผ่องแผ้วชุดตรงนี้นี่หมายถึงทุดงทั้งหมดเลยนะทุดงนี้ชื่อว่าความเกิดขึ้นแห่งคุณมีความมักน้อยสันโดษประพฤติขูดเกล่ากิเลสอันนี้นี่ต้องเอาทุดงมาที่บายเพราะฉะนั้นข้อความในทุดงคณิเทศเนี่ยนะ เขาบอกว่าความผ่องแผ้วของศีลอันมีประการที่กล่าวแล้วจะมีด้วยคุณทั้งหลายมีความมักน้อยสันโดษเป็นต้นเหล่าใดเพราะเหตุที่พโยคีผู้มีศีลอันสมาทานและอันสมาทานแล้วก็ควรทําการสมาทานทุดงต่อไปด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ศีลของเธอที่มีมนทินอันล้างแล้วด้วยน้ําคือคุณมีความมักน้อยสันโดษความขูดกล่าวความสงัดความไม่สะสมความปลารบความเพียร และความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นต้นจกเป็นอันบริสุทธิ์และวัดทั้งหลายก็จกเป็นอันถึงพร้อมเนี่ยนะผู้ม า, าผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ด้วยคุณคือศีลและพรตอันไม่มีโทษอย่างนี้จะเชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในอริยวง3ามสข้อเนี่ยนะอริยวงสอริยวงนี่แปลว่าของที่เป็นของเก่าควรแก่การบรรลุ อริยวงที่สี่กล่าวคือความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดีอริยวงสามข้อแรกคือสันโดษในปัจจสยมข้อเนี่ยนะจีวอนบินทบาทเสนาสนะแล้วก็มีภาวนาเป็นที่มายินดีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้ศีลผ่องแผ้วขึ้นนะถ้าถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วศีลจะผ่องแผ้วทีนี้ในหน้าหนึ่งร้อบกกล่าวว่าอันหนึ่งความผ่องแผ้วนี้ ย่อมถึงพร้อมด้วยอาการสองคือด้วยการเห็นโทษศีลวิบัติเห็นนะก็ต้องเห็นโทษของการทุศีว่าทุศีนเะนี่ยมีโทษอย่างไรดีการท่านอธิบายว่าศีลและสัมปทาย่อมมีได้เพราะความปราดไปแห่งธรรมะอันเป็นปฏิปักษหลุดความถึงพร้อมแห่งข้าวกล้าย่อมมีได้เพราะไม่มีพืชที่ทำอันตรายฉะนั้นก็ศีลสัมปทานั้น ย่อมสำเร็จได้เมื่อมีการเห็นโทษในศีลวิบัตินั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าด้วยการเห็นโทษในศีลวิบัตินะกล่าวถึงคนที่ปลูกพืชเนี่ยนะปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นชาวนาหรือว่าชาวสวนผักทั้งหลายแลยเนี่ยนะศัตรูของผักก็คือวัชพืชนี่นะอาจจะวัชพืชนั้นอนะ่ะเป็นเป็นอันตรายที่ที่สาคัญมากต่อการ ลูกพืชทั้งหลายแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งหลายแล้วมันจะต้องเห็นโทษของไอ้วัชพืชแล้วถอนพวกนั้นออกทั้งหมดอะแล้วก็เห็นโทษจริงๆอะอย่างนั้นแหละข้าวกล้าจึงจะงอกงามได้ถ้าทำนานแล้วก็ปล่อยให้วัชพืชลงเตะไปหมดแล้วก็แย่ลนะและด้วยการเห็นอ น, นิสงในสีและสมบัติเห็นนะท่านอะธิบายว่าสีและสมปทธาย่อมมีได้ในเพราะได้เห็นคณแล้วเท่านั้น เพราะบุคคลผู้มีปกติใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้หนักแน่นในประโยชน์เนี่ยนะเขาใคร่ครวนถึงเรื่องถ้าทุศีนแล้เป็นยังไงถ้ามีศีลแล้วมีคุณยังไงในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเขาส่งเคราะห์ศีนและสามปทานลงในในทุกอารมณ์เขาใคร่ครวนมาหมดแล้วพอใคร่ครวนมาหมดแล้วอย่างนี้นี่แหละเขาจึงเห็นอา น, นิสงส์ของศีนเนี่ยนะถ้าผู้ที่ไม่ได้เอาเรื่องศีนมาตรึกให้มากมายจริงๆเลยเนี่ยนะ จะไม่เห็นอ น, นิสง์ของศีลอย่างตลอดสายเในอาการสองอย่างนั้นเห็นอาการสองอย่างคือเห็นโทษในศีลละวิบัติและเห็นอ น, นิสงค์ในศีลละสมบัติทีนี้จะยกข้อความที่ว่าเพึ่งทราบโทษแห่งศีลละวิบัติโดยในยะแห่งพระสูตรอย่างนี้ว่าดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายโทษทั้งหลายแห่งศีลละวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลเหล่านี้ มีห้าอย่างดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือโทษแห่งความทุศีนีน่นะก็ตรงกันข้ามกับคุณแห่งความมีศีลเพราะฉะนั้นให้ย้อนกลับไปดูหน้ายี่สิบเก้าดูหน้ายี่สิบเก้าแล้วก็ในหน้ายี่สิบเก้านั้นกล่าวถึงฝ่ายขาวใช่ไหมฝ่ายดีแต่นด้ให้พลิกเป็นฝ่ายดำซะเนี่ยนะ ถ้ามีศีลเมียนิสงห้าถ้าทุศีลก็มีโทษห้าเหมือนกันเช่นไม่ประสบกองแห่งโภคะเพราะความประมาทเป็นเหตุหรือว่าถ้าไม่มีศีลก็มีชื่อเสียงที่ชั่วเนี่ยฟุ้งขจร อ, ออกไปนะแล้วก็ถ้าไม่มีศีลเข้าไปสู่บริษัทก็เก้อเขินไม่องอาจเนี่ยนะ แล้วก็เวลาจะตายก็ลุ่มหลงทำกาละคําว่าลุ่มหลงทำกาลักก็คืออารมณ์ทั้งหลายแล่เนี่ยนะที่เป็นนิมิตที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นจะปรากฏในขณะนั้นเรียกว่าเหมือนเงาแห่งภูเขามาท่วมทับอย่างนั้นนะนะความชั่วทั้งหลายแหล่ก็จะโผล่มาในตอนนั้นแหละมากนะดีชั่วจริงๆก็ดูใกล้จะมรณะนั่นแหละเสร็จแล้วก็ข้อสุดท้ายก็สุคติโลกสวรรค์แต่หาไม่มีศีลก็อบายทุคติวินิบาศนารก นะก็ดูนัยยะตรงกันข้ามกับที่กล่าวไปแล้วเป็นต้นนั่นเองตรงกันข้ามกับอ น, นิสงค์ของศีล น, นั่นแหละคือโทษแห่งความทุศีลถ้าศีลมีอ น, นิสงค์เท่าไหร่นะดูฝ่ายดําที่มันตรงกันข้ามก็จะรู้เท่านั้นแหละอันหึบุคคลผู้ทุศีลเหตุแห่งความทุศีลอยนันะ้นย้อนคืนจึงเป็นผู้ไม่น่าชอบใจแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เาบอกว่าคนมีศีลใช่ไหมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเขาเป็นคนทุศีลเนี่ยนะถามว่าใครชอบไหมะนะมหาจนเนี่ยนะถือปืนลาบปืนมาเนี่ยนะโหร้องกันเกลียวเลยนะกลัวกันยกใหญ่และขอให้คนทุศีลเนี่ยนะยื่ยงกลายไปแถวไหนเขากลัวกันหมดเลยเป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจรีทั้งหลายไม่พึงอนุสาสอ่ะนะไม่พึงอนุสาดคือตามสอนอ่ะนะ เพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายผู้มีคุณธรรมเช่นครูอาจารย์เขาก็ไม่ตามแนะนําสั่งสอนถ้าหากว่าผู้นั้นไม่มีศีลต้องทุกข์ใจในเพราะการติเตียนถึงความเป็นคนทุศีลเนี่ยนะเวลาเขาตําหนิติเตียนเนี่ยนะไปที่ไหนถ้าเขาพูดถึงความชั่วของคนทุศีลเนี่ยนะคนทุศีลฟังเมื่อไหรก่ก็เอ๊ว่าเราทั้งนั้นเลยใช่ไหม เวลาเขาคุยถึงความไม่มีศีลที่ไหนเอมีแต่ว่าเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนไม่มีศีลจะไม่ชอบฟังหรือว่าไปที่ไหนคนไม่มีศีลเนี่ยจะถูกตาหนิตีเตียนตลอดเลยแล้วก็มีความเดือดร้อนใจในเพราะการสารเสริญถึงท่านผู้มีศีลทั้งหลายเวลาเขายกย่องคนดีมายกย่องเนี่ยนะคนชั่วนี้จะฟังแล้วใจแป้วแล้วที่ว่านี้ไม่มีในเราเลยนะเขาชมคนดีเมื่อไหร่คนชั่วก็ไม่สบายใจ นะเขาต้หนมีคนชั่วเมื่อไหร่ก็ถูกเราอีกนั่นแหละก็เพราะความทุศีนนั่นแหละเขาจึงจัดว่าเป็นผู้มีวันะหยาบดดผ้าป่านดิบคือผ้าป่านที่ยังดิบอยู่คือยังไม่ได้ฟอกย่อมหยาบกว่าที่ฟอกแล้วเขาว่างั้นคือเป็นผู้เว้นจากวันนะคือคุณธรรมคําว่าวั น, นะหยาบในทีน่นี้เขาไม่มีคุณธรรมข้างในจิตใจเลยใช่ไหมจิตใจของเขาเนี่ยมากไปด้วยโทศเนะพราะศีนเนี่ยเป็นเป็น ธรรมะที่กําจัดอากุศลรมูลคือโทสะเพราะฉะนั้นคนที่ศีลไม่ค่อยดีเนี่ยโดยมากแล้วจะหนักไปในทางโทสะคนที่ไม่มีสมาธิก็จะหนักไปในทางโลภะเนี่ยนะไม่มีปัญญาก็หนักไปในทางโมหะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศิกขาสามก็กําจัดอกุศลรมูลสาเพราะฉะนั้นเขามีไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงมีผิวพันธ์หยาบเหมือนั้นความคิดมันหยาบนั่นเอง ก็เขาชื่อว่ามีสัมผัสเป็นทุกข์เพราะนามาซึ่งทุกข์ในอบายแกเราบุคคลผู้ถึงซึ่งการคล้อยตามความเห็นของเขาคือถือเอาเขาเป็นแบบอย่างตลอดกาลนานก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนอื่นๆด้วยนะตัวเขาเองนี้พฤติกรรมแบบนั้นคำพูดแบบนั้นของเขาทำให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกคนอื่นนี้ไปเรียนแบบไม่ยากใช่ไหความชั่วนี่เรียนแบบไม่ค่อยยากนะ แต่คนที่มีเชื้อประเภทเดียวกันเนี่ยนะเห็นเขาพูดคำหยาบเนี่ยพักเดียวแค่นั้นอนะเป็นเลยนะเคยได้ยินว่าเด็กหลายคนเนี่ยนะพ่อแม่ในบ้านเนี่ยพูดคำหยาบโอ้เด็กนี่มันพูดโอ้โหฟังแล้วแสบแก้วหูเลยนะนะทางทางภาคกลางเนี่ยมีโอ้โหเด็กขนาดนี้มันพูดคำได้ขนาดนี้เลยนะเราฟังแล้วเสียวแป๊บเลยโอ้โหอะไรจะใช้คำได้ขนาดนี้นะแต่ละคำแต่ละคำไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ดงั้นพ่อแม่ทุศีลสะอย่างเนี่ยนะลูกหลานนี้เอาเอาเยี่ยงอย่างเลย พอแม่เล่นปืนมากๆเอ้ลูกนี่ก็เอาด้วยนะพอแม่เดืมเล่าเดี๋ยวลูกก็เอาตามบ้างอะไรงี้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นจึงมีสัมผัสอันเป็นทุกข์คนเอาแบบเอาอย่างก็เป็นทุกข์ไปด้วยถ้าเป็นพระพิสูจ์ก็เหมือนกันถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะถ้าทําตัวไปในลักษณะนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นเป็นแบบนั้นเพราะาในอนาคตะภยัยสูตร อังคุตระนิกายปัญจการนิบาศเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายว่างั้นคือในอนาค ต, ตกาเนี่ยนะพิสจะไม่อบรมกายจะไม่อบรมศีลจะไม่อบรมจิตจะไม่อบรมปัญญานะเมื่อพิษุผู้เถระไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาอุปบวชเป็นต้นนะเขาก็จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือเป็นคนมกักมากเป็นคนที่ไม่ สันโดษเป็นคนที่ไม่ชอบความสงัดเป็นคนที่ชอบคลุกคลีทีนี้คนเหล่านี้ก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเอาแบบเอาอย่างต่อไปอนะั้นครูอาจารย์นั้นมีอิทธิพลต่อต่อคนรอบข้างหรือที่เรียกว่าลูกศิษย์เนี่ยมากมายมหาศาลานะั้นครูอาจารย์ทำไม่ดีลูกศิษย์ลูกหาก็ติดตามเป็นแบบนั้นไปด้วยต่อไปก็บอกเขารับเอาทายทธรรมของบุคคลเหล่าใดเพราะไม่กระทาความมีผลมาก ให้แก่บุคคลเหล่านั้นจึงจัดว่าเป็นผู้มีค่าน้อยเรียกว่ามีอนุภาพน้อยมีคุณค่าน้อยเวลารับทานจากผู้ใดเนี่ยนะไม่ว่ารับทานจากบาศกอุบาศิกาทั้งหลายหรือว่าทายกคือผู้ให้ทั้งหลายานะทายธรรมที่เขาทำบุญไปเนี่ยนะจะได้ผลน้อยถ้าบอกว่าให้ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเมียนิสงเท่าไหร่นะรอยชาติใช่หมร้อยหนึง ให้ทานกับคนทุศีน่ะทันหนึ่งเท่านั้นเองนะนะเท่านั้นเองนะถ้าให้ทานกับคนทุศีนเนี่ยนะก็ถือว่าดีกว่าให้สัตว์เท่านั้นเนี่ยเพราะคุณคือความที่เขาไม่มีศีนชื่อว่าเป็นผู้ที่ใครๆชัมระได้ยากดุดลุมคู่ที่หมักหมมไว้หลายปีนะคนทุศี น, นียแก้ไขยากมาก ถ้าไปเป็นอบับดับหนักๆด้วยโหไม่รู้จะแก้ไขยังไงคนที่ทําตราบาปติดตัวให้กับตัวเองหลายๆเรื่องเนี่ยนะแก้ไขยากว่าแบบอุปมาเหมือนกับหลุมขุดนี่แหละใช่ไหมส้วมะนะชาระให้มันมีกลิ่นหอมเลยนะไอ้ท่อส้วมข้างหลังเนี่ยชําระให้มีกลิ่นหอมไม่ได้มันยากเหมือนกันแต่ถ้ายิ่งเป็นส้วมโบราณด้วยนะเป็นส้วมขุดใช่ไหมแล้วเอาหัวมาวางเฉยๆเนะี่ยแล้วก็โอ้โหมันเหม็นเนี่ยนะมันซึมซาบเหม็นไปไม่รู้เท่าไหร่นะในรัศมีกี่เม็ดส้วมหนึ่งลังนะ้นนั่นแหละ ไม่รู้จะทำยังไงให้มันหอมได้ในรัศมีดินแถวนั้นบริเวณหลายเม็ดเนี่ยมันเม็นไปหมดเล ย, ยเพราะฉะนั้นมันหมักไว้หลายปีเนี่ยเป็นลักษณะนั้นชําระได้ยากเขาว่าไ น, นเป็นผู้ไกลาจากประโยชน์ทั้งสองดุดดุ้นฟืนเผาศพนไที่พระองค์ตรัสว่าดุ้นฟืนเผาศพใช่ไหมหัวทายเนี่ยไฟไหมตรงกลางเปื้อนอุจระเขาว่าไ เอาเป็นประโยชน์ในบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ในป่าก็ไม่ได้ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าศีลไม่มีแล้วเนี่ยประโยชน์แห่งความเป็นสมณะก็ไม่ได้ไประโยชน์ของความเป็นคาราวะก็สูญเสียไปแล้วท่านก็ว่าอย่างนั้นนะนี่เป็นพุทธพจน์เต็มนะพอองตรัสดเลยแม้ว่ายืนยันอยู่ซึ่งความเป็นภิกษุก็หาเป็นภิกษุไม่เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคก็หาเป็นโคไม่ฉะนั้น นะลาเนี่ยนะสีอะไรคล้ายๆกับวัวหมดใช่ไหมโคลนี่มันร้องโคโคมันร้องตามหลังฉันก็โคมั่งกับเสียงไม่เหมือนเลยอะ่ะนะภิกษุทููศีลก็ลักษณะนั้นเป็นผู้วาดวันเป็นนิดเหมือนอย่างบุรุษผู้มีเวรต่อคนทั้งปวงนะผู้ที่ทูศีลเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีจิตใจลักษณะร้อนรนอยู่ตลอดเวลาโดยมากเลยนะ จะนั่งแบบสบายๆผ่อนคลายสักสิบยี่ินาทีเนี่ยทําได้ยากจริงๆนั่งแล้วจะลุกลึกลุกลึกลุกร้นร้อนกวนก ว, นวายอยู่ตลอดเนี่ยนะมันอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะ <S 1> <S 1> อุทจจะมันเล่นงานเท่าที่เท่าที่รู้จักเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเล ย, เล ย, ยนะ <S <S ร้อนรนมากเนี่ยนะร้อนๆๆๆรอนนะนั่งนิ่งไม่ได้นั่งนิ่งไม่ได้ทั้งตา ท, ทั้งแขนทั้งอะไรเนี่ยมันสั่นแบบสั่นแบบคนที่กําลังแบบยังไงเหมือนกับมีคดีติดตัวแบบนั้นน่ะนะ ลูกเล้ลุกลนดิส ก, กินก็นไม่ได้นอนก็นไม่ได้อะไรเป็นลักษณะเนี่ยนะหาเรื่องอย่างอื่นมาพูดกลบเกลื่อนระว่งที่คุยกลบเกลื่อนอันนี้จะแก้ได้แต่ถ้าให้แบบเป็นตัวของตัวเองนั่งธรรมดาเนี่ยร้อนละเนไะเป็นผู้ไม่ควรอยู่ร่วมเช่นเดียวกับซากศพคือคนผู้มีศีลทั้งหลายเขาก็ไม่อยู่ร่วมกับคนประเภทนั้นเขารังเกียจเหมือนกับศพเลยแม้ว่าประกอบด้วยคุณมีสุตะเป็นต้น ก็จัดว่าเป็นผู้ไม่ควรบูชาสําหรับเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายเหมือนไฟในป่าช้าเป็นของไม่ควรบูชาสําหรับพวกพราหม์ฉะนั้นถึงเขาเป็นคนร่ําเรียนมามากฉลาดโหจบมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะเพื่อนพรหมจรีก็ไม่นับถือไม่บูชาแต่ว่าเขาบอกว่าพรามเนี่ยจะเอาไฟเนี่ยเขาบูชาไฟนะทั้นไฟที่เขาเอามาบูชาเนี่ยต้องเป็นไฟชั้นดีอ่ะเขาจะไม่เอาไฟมาจากป่าชาเด็ดขาดมาบูชาเขาบอกงัน้น นคนที่มีความรู้แบบนั้นก็วินยูชนทั้งหลายก็ไม่นับถือเหมือนกับฝ่ายในต่าช้าเท่านั้นเองเป็นคนอาภัพในการบรรลุคุณวิเศษเช่นเดียวกับคนตาบอดอาภัพในการเห็นรูปใช่เพราะว่าฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่มีแล้วฐานไม่มีแล้วเนี่ยนะเชื่อว่าหมดหวังในพระสัตธรรมเช่นเดียวกับลูกคนจันทาน หมดหวังในราชสมบัติครับว่ากัน้นไม่มีหวังเลยว่าลูกคนจันทานเนี่ยจะได้ขึ้นคลองราชครับว่ากันแค่เดินคนเนี่ยนะแค่เดินผ่านเข้าบ้านเข้าเมืองเนี่ยคนมีวันณะหน่อยเนี่ยนะเขาจะรังเกียจมากถ้าเห็นแล้วต้องเอาน้ํามาล้างตาครับว่ากันก็ได้ยินนะในเรื่องนางทิ t h มังคลิกาเนี่ย น, ะนางทิ t h มังคลิกามีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเด็กจันทานนะเกิดเป็นเด็กจันทานก็เข้าไปในเมืองก็คือไปเรียนศิลปะแบบจันทานมา ที่เขาทำการแสดงบ้างนะแล้วก็ขอทานเขากินอะ่ะทีนี้วันหนึ่งก็เดินไปกําลังจะแสดงอยู่ในประตูประตูหนึ่งมีลูกของของพระมหาศารคนนึงลูกของพระมหาสารเนี่ยนะเป็นลูกสาวแต่งตัวอย่างงามเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรเนะี่ยในขณะที่กําลังจะไปเที่ยวสวนเนี่ยนะคนก็ติดตามเยอะเพราะมันในในขณะที่ไปเที่ยวก็จะมีของกินมีเหล้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดคนก็จะติดตามไปกินด้วยเยอะ ทีนี้นางเนี่ยพอไปเห็นคนจันทานนั้นก็ถามมันนั่นอะไรเมื่อไงก็ <c oughs> บอกว่าคนจันทานกันเมื่อไงพอฟังเท่านั้นแหละสั่งให้เอาน้ําหอมมาล้างตากลับบ้านเลยไม่ไปเที่ยวละคนที่ไปด้วยเนี่ยก็เข้าไปทุบเลยเพ่อเจ้านี่แหละทําให้ฉันอดเมื่ั้ น, น <c oughs> คนจันทานเนี่ยถูกซ้อมตั้งเละเลยเพราะฉะนั้นเอกผู้ที่เป็นจันทานก็จะลักษณะเนี่ยนะคือไปที่ไหนคนก็จะรังเกียดดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยนะหรือว่าเหมือนด็อกเรเอเมตการ์เนี่ยนะ ขนาดนั่งเรียนหนังสือเนี่ยนะถ้าหิวน้ำเนี่ยอาจารย์ต้องไปตักแล้วก็อ้าปากนะเขจะเทให้แล้วก็ที่โยมน้อยเล่าให้ฟังกขบอกว่าคนอินเดียที่ไปทํางานส่วนอื่นๆเนี่ยนะที่เป็นจันทานเนี่ยเขาจะไม่กินน้ำํำให้มันให้มันถูกปากเขานะเขาจะยกเทใส่ปากเอาทาั้งๆที่ให้และทั้งๆที่เป็นของเขานะเพราะความที่เขาเป็นจันทานอะ่ะเขาจะไม่ไม่ร่วมเพราะนั้เขาจะถูกทําร้ายอย่างค่อนข้างทารุณมากนันจันทานนั้นจึงไม่มีหวังในราชสมบัติ ผู้ที่ไม่มีศีลก็ลักษณะเดียวกันไม่มีหวังในสัตยธรรมไม่มีหวังในปฏิบัติศสัตยธรรมไม่มีหวังในปฏิเวทิสัตยธรรมอันคาว่าสัตยธรมตรงนั้นนี่คือสัตธรรมตรงนั้นตรงไหนที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละเขาบอกว่าหมดหวังในพระสัตยธรรมในคำพี่นะนี่กําลังพูดตามคมภี่อยู่นะคำว่าสัตยธรรมตรงนั้นเป็นชื่อของปฏิบัติสัตยธรรมกับปฏิเวทิสัตยธรรม แม้เขาสําคัญอยู่ว่าเราเป็นสุขเนี่ยนะคือความชั่วที่เขาทํามานึกว่าเขามีสุขเนี่ยนะก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะความเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอัคิขันทะปริยัจสูตรเนี่ยนะในอักขิขันทูปมาสูตรนั่นเองเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งเรียกวอคกิขันทูปมาสูตรตรงนี้ท่านใช้คำว่าอคกิขันทะปริยัจสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับไฟกองใหญ่ อักขีนี้แปลว่าไฟขันทับแปลว่ากองทสูดที่อุปมาเหมือนกับไฟกองใหญ่คำว่างัน้นจริงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นกรรมและวิบากชัดโดยอาการทั้งปวงเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เนี่ยนะตี เ, เรียกว่ายกย่องในพระคุณข้อว่ากรรมมะวิปากยานยกทศพลยานมาข้อหนึ่งนะว่า